ครั้นเห็นอาคันตุกะท่านออกตกใจรีบเข้าไปนั่งคุกเขา่าแล้วกราบสามครั้งนิมนท์ท่านเจ้าคุณนั่งบนอาสนะเถิดครับท่านนิมน์พระอาคันตุกะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางทรนินไม่เป็นไรนั่งที่พื้นนี่แหละสบายดี เจ้าคุณพรโมลีตอบแล้วพูดกับฝรั่งที่มาด้วยว่านี่ท่านพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนาบางทีท่านอาจจะตอบคำถามของโยมได้บุรุษนั้นกราบเป็นจางข้าประดิษฐ์สามครั้งท่านพระครูรู้สึกประทับใจ ที่เขากราบได้สวยงามยิ่งกว่าคนไทยบางคนเสียอีกเจริญพรโยมมาจากประเทศอะไรฟังภาษาไทยออกด้วยหรือเจ้าคุณพรหมรีชิงตอบเสียก่อนว่าไม่ใช่ฟังอย่างเดียวหรอกท่านพระครูเขาพูดได้ด้วย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 เลยต้องพามาหาท่านพระครูเจ้าคุณพรหมโมลีสารภาพคำถามมีว่าอย่างไรละ่ะอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงออกตัวไว้ก่อนคำถามมีดังนี้ครับอะไรเอ่ยสี่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปท่านพระครูกำหนดคิดหนอในใจและจึงตอบว่าตัวเราพร้อมทั้งอ ธ, ธิบายว่าเราตั้งอยู่ได้หรือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยธาตุสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงเรียกว่า สี่คนหามส่วนสามคนแห่หมายความว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ถูกกิเลสสามตัวคือโลภะโทสะโมหะทักจูงไปหนึ่งคนนั่งแคร์ก็คือจิตหรือวิญญาณสองคนพาไป ก็คือบุญกับบาปเมื่อเราตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะพาเราไปยังปรโลกอาตมาขอตอบอย่างนี้คนถามไม่บอกว่าที่ท่านพระครูตอบมานั้นถูกหรือผิดหากพูดขึ้นว่าผมขออนุญาตมาบวชที่วัดนี้นะครับโยมเป็นชาวต่างประเทศจะบวชได้อย่างไร อีกประการหนึ่งต้องขออนุญาตพ่อแม่ด้วยท่านพระครูติง้งไม่ต้องห่วงหรอกครับท่านพระครูผมจะให้ผู้หมวดชนเป็นเจ้าภาพให้เมื่อตำรวจเป็นเจ้าภาพตำรวจที่ไหนจะกล้ามาจับจริงไหมเจ้าคุณพรหมลีหาทางออกให้จริงครับ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 พ่อผมเป็นวิศวกรส่วนแม่ผมเป็นเลขานุการอธิการบดีของมหาวิทยาลัยออสโลครับเขากราบเรียนให้ท่านพระครูทราบถึงเทือกเถาเหล่ากอของตนปู่อนุญาตหรือท่านพระครูถามครับก่อนมาปู่สั่งผมว่าหลานไปเมืองไทยให้เอาของดีมาฝากปู่ด้วยผมถามท่านว่า ของดีที่ว่านั้นคืออะไรท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าผมมาถึงเมืองไทยแล้วจะรู้เองบัดนี้ผมรู้แล้วของดีก็คือพระพุทธศาสนาครับพูดด้วยศรัทธาประสาทะตกลงถ้าเช่นนั้นอาตมาก็อนุญาตให้บวชได้ขอบพระคุณครับเขาก้มลงกราบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งและพูดว่า ผมจะกลับไปทำเรื่องขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วจะรีบกลับมานะครับจะไปเลยหรืออาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมชื่ออะไรจะมาบวชก็ต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก่อนผมชื่อวิโกโก้บราวครับวิโกโก้เป็นชื่อส่วนบราวเป็นนามสกุลครับเขาตอบ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 ตั้งแต่อาตมาเป็นอุปัชชายังไม่มีลูกศิษย์คนไหนความจำดีเท่าโยมเลยไม่น่าเชื่อแค่สามชั่วโมงจำได้หมดเก่งกว่าคนไทยเสียอีกเก่งจริงๆท่านยำ้ำขอบพระคุณครับข้าพนมมือไหว้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 ความอ้างว้างว้าเหวเข้าครอบงำจิตใจถึงกับต้องร้องไห้ออกมาอ้าวร้องไห้ทำไมละวิโก้ท่านพระครูถามอย่างปราณีผมคิดถึงปู่และพ่อแม่พี่น้องทางนอร์เวย์ครับอยากให้พวกเขามาร่วมพิธีตอบทั้งน้ำตาไม่เป็นไรบวชแล้วปฏิบัติให้มากๆ จะได้ส่งบุญกุศลไปให้เขาได้หรือจะทรจิตไปก็ยังได้โทรจิตหรือครับถามอย่างสนใจถูกแล้วถ้าเราฝึกจิตให้ถึงขั้นก็สามารถโทรจิตไปที่ไหนไหนก็ได้ถ้าเช่นนั้นผมจะเพียรพยายามจนสามารถโทรจิตได้พูดอย่างมุ่งมั่น อาตมาก็มั่นใจว่าโยมจะต้องทำได้ดูหน้าก็รู้แล้วว่าทำได้ถึงเวลาแห่นากรอบโบสถ์ร้อยตำรวจโทชนจินตนาเป็นผู้อุ้มบาทคุณนายนงนาศผู้เป็นพัญญาเป็นคนอุ้มผ้าไตรส่วนนายอำเภอรพรมบุรีถือตลปัดท่านพระครูไม่อนุญาตให้มีการรำกลองยาว หรือแห่สิงโตขณะเวียนรอบโบสถ์แต่ให้สวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแทนนอกจากนี้ท่านยังห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาดผู้ใดดื่มสุราขณะเวียนรอบโบสถ์ถือว่าผู้นั้นไม่เคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องได้รับกรรมซึ่งจะตกทอดไปถึงลูกหลานนั่นคือทําให้ลูกหลานปัญญาอ่อน ไม่สามารถเรียนให้ถึงระดับปริญญาได้และจะเป็นอย่างนี้ไปเจ็ดชั่วคนพระวิโก้ปฏิบัติสมณ ก, กิจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการจึงไม่ได้ทำความหนักใจให้แก่อุปชาตแต่อย่างใดท่านพระครูแอบชื่นชมพระหนุ่มผู้ซึ่งแม้จะเป็นชาวต่างชาติ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 คิดเอาเองผมคิดว่าชมครับแต่ถึงหลวงพ่อจะติผมก็ไม่ว่ากระไรเพราะหลวงพ่อเป็นอุปชาอาจารย์ของผมหลวงพ่อกำลังอ่านอะไรอยู่หรือครับท่านถามเมื่อเห็นท่านพระครูอ่านกระดาษแผ่นสีขาวด้วยใบหน้าเคร่งเครียดแทนคําตอบสมภา์วัดป่ามะม่วงส่งกระดาษแผ่นนั้นให้คนเป็นสิทธิ์พระวิโก้รับมาอ่านแล้วพูดขึ้นว่า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 อยากรู้ก็ให้ปฏิบัติมากๆแล้วจะรู้ได้ภายในสามวันนี้วันรุ่งขึ้นตอนค่ำพระวิโก้ก็ได้ไปงานสวดพระอภิธรรมศพกับท่านพระครูที่บ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองขณะที่พระสงฆ์สีรูป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 คนไหนครับเจ้าภาพนั่นไงที่นั่งคุยเสียงอ้อแอแข่งกับพระสวดนั่นก็จะภาพมาเป็นเสยเองและแบบนี้จะไปว่าแขกเหลือได้อย่างไรผมว่าพวกเขาช่างไม่รู้กาละเทศะกันเสียเลยเมื่อกันสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นลง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 อาตมาอยากรู้แล้วพ่อโยมตายแต่โยมมาดื่มเหล้าเล่นการพนันกันต่อหน้าศพแบบนี้พ่อโยมจะได้บุญหรือได้หรือไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับเรือพูดมากเดี๋ยวพ่อบุรุษนั้นชูกำปั้นใส่หน้าพระวิโก้ท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปบอกพระหนุ่มว่ากลับวัดกันเถอะ ได้เวลาสอบอารมณ์แล้วและบอกกับบุรุษนั้นว่าอาตมาลาและนะพระวิกโกทำพิษสั้นแล้วท่านพูดประชดคนเป็นเจ้าภาพทั้งที่รู้ว่าเขาไม่สำเนียกเพราะกําลังเมาคืนต่อมา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 รู้สึกว่าจะทำได้ลองทำดูนะครับพรุ่งนี้ฉันเช้าแล้วผมจะไปปฏิบัติในโบสถ์เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วแผ่เมตตาใช่ไหมครับถูกแล้วถ้ากุศลถึงรับรองว่าได้ผลแต่ถ้ากุศลยังไม่ถึงก็ต้องเพียรพยายามให้มากขึ้น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 ด้วยการบวชในพระบวรพุทธศาสนาและเจริญวิปัสสนากรรมฐานขออนุสวงนี้จงช่วยให้แม่ของข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ปู่ของข้าพเจ้าที่ต้องการให้หลานเอาของดีไปฝากบัดนี้หลานได้ของดีแล้วโปรดรับทราบด้วยและประการสุดท้ายขอให้เพื่อนสามคน ที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันจงมีความสุขเดือนต่อมาขณะที่พระวิกโก้กำลังกวาดลานวัดอยู่เพื่อนคนไทยที่เรียนปริญญาโทด้วยกันก็นำจดหมายมาให้จดหมายมาติดอยู่ที่คณะสิบกว่าวันไม่มีใครรู้ว่าท่านมาบวชอยู่ที่วัดนี้ กระทั่งผมไปพบจึงนำมาให้เขากราบเรียนแล้วรีบขอตัวลากลับพระวิโก้เปิดซองดึงจดหมายออกอ่านความปรับลืมใจทำให้น้ำตาไหลพรากพรากิกษุหนุ่มขึ้นไปหาอุปบัญชาบนกุฏิส่งจดหมายให้ท่านแล้วพูดว่าจดหมายจากแม่ผมครับทุกคนได้รับโทรจิต ท, ที่ผมส่งไปท่านพระครูรับจดหมายฉบับนั้นมาดู แล้วมองหน้าคนเป็นสิทธิ์เห็นเขาดีใจจนน้ำตาไหลออกตาจึงพูดขึ้นว่าไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจก่อนแล้วค่อยมาอ่านให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่ออ่านภาษาโนเวย์ไม่ออกพระวิโกกราบสามครั้งแล้วจึงกลับไปที่กุฏิของตนส่งน้ำเรียบร้อยแล้วจึงไปหาอุปชาอีกครั้ง ท่านพระครูส่งจดหมายฉบับนั้นให้ลูกศิษย์สั่งว่าช่วยอ่านเป็นภาษาไทยให้หลวงพ่อฟังสิครับผมจะแปลให้หลวงพ่อฟังวันที่17พฤษภาคมคริสตศักราช1967เวลาสามทุ่ง20ินาทีเวลาตรงกันกันกบที่ผมโทรจิตไปเลยครับหลวงพ่อเพียงแต่ว่า ที่นี่เป็นเวลากลางวันที่โน่นจะเป็นกลางคืนท่านอธิบายอ๋อแล้วปีคริสตศักราช 1,967 ก็คือพุทธศักราช 2,510 ใช่ไหมครับงั้นก็อ่านต่อได้วิกโกลูกรักวันนี้เป็นวันชาติของเรา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 กับของดีที่อยู่ใกล้ตัวส่วนวิกโกอยู่ถึงต่างแดนยังมาได้ของดีนี้ท่านพระครูให้รู้สึกเสียดายแทนคนไทยพุทธที่ไม่รู้จักถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ตนมีพระวิกโกบวชได้45วันก็ลาสิกขาหลังจากลาศิกขาแล้ว ก็อยู่ปฏิบัติอุปชาอีกเจ็ดวันคอยติดตามรับใช้ท่านพระครูไปทุกหนทุกแห่งวันแรกของการลาสิกขาเขาได้นำทูบเทียนแผ่ไปกราบขอบคุณร้อยตำรวจโทชนจินตนาและในอำเภอรพรมบุรีที่เป็นเจ้าภาพบวชให้นอกจากนี้ยังได้ไปขอบคุณญาติโยมที่ใส่บาตรให้ฉันในช่วงที่เป็นพระภิกษุ วันหนึ่งท่านพระครูได้รับนิมนต์ไปในงานทาบุญบ้านของลุงซัพ์ผู้เป็นพี่ชายโยมแม่ของท่านโดยมีนายวิกโกเป็นผู้ติดตามชายหนุ่มถือกล้องถ่ายรูปไปด้วยบ้านลุงซั์มีต้นมะม่วงต้นมะปรางต้นมะนาวขึ้นเต็มไปหมดทำให้บริเวณบ้านมืดครึม้มตอนลุงซัพ์จะใส่บาตรท่านพระครู บ, บอกให้นายวิกโกช่วยถ่ายรูปให้ ถ่ายไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อกล้องไม่มีแฟลชเขากราบเรียนเอาเถิดหน้าลองถ่ายดูก่อนถ่ายให้อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าเพิ่งศึกใหม่ๆเมื่อบวดตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขอให้จิตของข้าพเจ้าขอให้จิตของข้าพเจ้านี้ จงบังเกิดเป็นแสงสว่างได้ลองทำดูสิชายหนุ่มทำตามอธิษฐานจิตเสร็จแล้วจึงกดชัตเตอร์ครูใหญ่ก็ดึงรูปออกมาจากกล้องปรากฏว่าได้ภาพที่ชัดเจนและสวยงามเป็นที่น่าอาัศจรรย์มอัศจรรย์เหลือเกินครับหลวงพ่อชายหนุ่มพูดอย่างตื่นเต้นนี่แหละ อำนาจแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างได้พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาโลกัดสมิปัโชโตปัญญาเป็นดวงชะวลาในโลกท่านพระครูอธิบายบุรุษวัย22รู้สึกปิติจนน้ำตาไหลเขาได้พบของดีในเมืองไทยมากมายเหลือเกิน